5. ปฐมวิถาธรรสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย อินทรีห้าประการนี้อินทรีห์าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีและถึง 5. ปัญญทรีอินทรีห์าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอาหารหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราบริณิพพายีเพราะมีอินทรีอ่อนกว่าพระอาหารหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีอ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีอ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น 5. เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกติทักามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายีนั้น 7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกติทักามีนั้น 8เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ทรมนุสยารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น10เป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสยารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธทรมนุสยารีนั้นปฐมมวิฐารสูตรที่หจบ ทุติยวิธารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินซีโดยพิสดารสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินซีย์าประการนี้อินซีย์าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีและถึง 5. ปัญญรีอินซีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์หประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น 5. เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อุทเงโสโตอคณิทักาามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายีนั้น เเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตโอการนิธาคามีนั้น 8. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสก ท, ทาคามีนั้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ทำมนุสยารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 10. เป็นพระโสดาบันผู้ศรัท ธ, ธานุษยารี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 เจ็ดตติยวิทารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินซีโดยพิสดารสูตรที่สามิกษุทั้งหลายอินซีห้าประการนี้อินซีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีละถึง 5. ปัญญินรีอินซีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง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 เจ็ดเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกรนิธาคามีนั้นแปดเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้นเก้าเป็นพระโสดาบันผู้รรมนุษารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นสิบเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารี พราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธทำมานุสย์รีนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญอรหัตมรรมคให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุอรหัตผลบุคคลผู้บำเพ็ญมรรคทั้ง ส, ท, งสที่เหลือให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุผลทั้งสมดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอินทรีย์หประการว่าไม่เป็นหมันเลยตติยวิถารสูตรที่7จบ ปฏิปันณสูตรว่าด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินซีภิกษุทั้งหลายอินซีย์าประการนี้อินซีย์าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีละถึง 5. ปัญญีอินซีย์าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่ง เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์หประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลนั้น 4. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้น 5. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอานาคามิผลนั้น 6. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 7. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ <Kart aces. S 2> ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนั้น 8. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล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 สัมปันนสูตรว่าด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีครั้งนั้นแลภิกสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรดนีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัตทินสให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญเวริยินรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญสัตทินรีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาทินรีที่ให้ถึงความสงบ ให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญีสีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินสีสำปันนัสูที่เก้าจบ อาสวะคยะสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีและถึง 5. ปัญญินรีอินทรีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินสี่ห้าประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอาสวะขยะสูตรที่10จบมุทุตระวักที่สองจบ ภุมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฏิลาพระสูตร 2. ปฐมมะสังคิตะสูตร 3. ทุติยสังคิตสูตร 4. ตติยสังคิตสูตร 5. ปฐมมวิธารสูตร 6. ทุติยวิธารสูตร 7. ตติยวิธารสูตรแปปฏิปันนะสูตร 9. สัมปันนสูตร 10. อาสวะคยะสูตร 3. ชลินทริยวัษ์หมวดว่าด้วยอินรียหกหปุณภวสูตรว่าด้วย เหตุ hey, ที่ทำให้ไม่มีพบใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์หประการนี้อินทรีย์หประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีและถึง 5. ปัญญินรีภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์หประการนี้ตามความเป็นจริง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 ชีวิตินทรีสูตรว่าด้วยชีวิตินรีภิกษุทั้งหลายอินรีย์3ประการนี้อินรีสามประการอะไรบ้างคือ 1- อิทธินสีอินรีคืออิทธิภาวะ 2- อปุริสินสีอินรี์คือปุริสภาวะ 3- ชีวิตินรีอินรี์คือชีวิต อินทรีสามประการนี้ชีวิตตินทริยสูตรที่สองจบ 3. อัอัญญทริยสูตรว่าด้วยอัญญีภิกษุทั้งหลายอินทรีสามประการนี้ อินทรีสามประการอะไรบ้างคือ 1. อนัญญาตัญยสมีตินรีอินทรีของท่านผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่มิได้รู้ 2. อัญญินทรีอินทรีคือปัญญาอันรู้ทั่วถึง 3. อัญญาตาวินทรีอินทรีของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วอินทรีสามประการนี้ อัญญิทริยสูตรที่สจบ 4. เอกพีชีสูตรว่าด้วยพระเอกพีชีโสดาบันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สัตทินสี่และถึง 5. ปัญญินสีอินรี่หประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินรี่หประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินรี์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3.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 เป็นพระเอกพีชีโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกธาคามีนั้นเก้าเป็นพระโกลังโกละโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระเอกพีชีโสดาบันนั้นสิบเป็นพระสัตตกขตุปรมโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโกลังโกละโสดาบันนั้นสิบเอ็ดเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมนุษารี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 สุทธสูตรว่าด้วยอินรีย์ล้วนภิกษุทั้งหลายอินทรียหกประการนี้อินรียหกประการอะไรบ้างคือ 1. จากขุนสอินรีย์คือจากขุประสาสี่สโซตินสีอินรีย์คือโซตะประสาสัมามคาณินสีอินรีย์คือคานประสาสี่ชิวหินสี อินทรีคือชิวหาประสาทห้ากายินทรีอินทรีคือกายประสาทหกมนินทรีอินทรีคือใจอินทรีหกประการนี้สุทธสูตรที่ห้าจบ 6. โสตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายอินรีหประการนี้อินรีหประการอะไรบ้างคือ 1. จากขุนสีโสติน4ีสาคานิน 4, 4. ีชิวหิน4ีกายิน4ีมนิน4ีภิกษุทั้งหลาย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 เจ็ดอารหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายอินรีหกประการนี้อินรีหกประการอะไรบ้างคือ 1. จากขุนสีโสติน4ีสาคานินรีหกสชิวหินรีหกายินรีห 6. มนินรีภิกษุทั้งหลาย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 อรหันตสูตรที่7จบ 8. สัส ม, มัติสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายอินทรีหประการนี้อินทรีหประการอะไรบ้างคือ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 พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกสมมตธสูตร ท, ที่8จบ ปฐมมสมณพราหมณสูตรว่าโดยสมณพราหมณสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีหประการนี้อินทรีหประการอะไรบ้างคือ 1. จักขุนสีสองโสติน4ีคานิน 4, 4. ีชิวหิน4ีกายิน4ีมนิน4ี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 ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันปฐมมสมณะพรามณสูตรที่เก้าจบสิ ทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดจากขุนศีความเกิดแห่งจากขุนศีความดับแห่งจากขุนศีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งจากขุนศีไม่รู้ชัดโสตินศีละถึงคานินศีชิวหินศีกายินศี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 ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดจากขุนศีความเกิดแห่งจากขุนศีความดับแห่งจากขุนศีปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งจากขุนศีรู้ชัดโสตินศีและถึงคานินศีชิวหินศีกายินศีรู้ชัดมนินศีความเกิดแห่งมนินศีความดับแห่งมนินศี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 ชลินทรียวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปุณณพวสูตร 2. ชีวิตินทรียสูตร 3. อัญยินทรียสูตร 4. เอกภพชีสูตร 5. สุทธสูตร 6. โสตาปั น, นสูตร 7. อาอรหันตสูตร 8. สัสมมตสูตร 9. พฐมมสมณพราหมณสูตร 10. ทุติยะสมณพราหมณสูตร สี่สุขินตรีวักหมวดว่าด้วยสุขินสีสุทิกาสูตรว่าด้วยอินสีลวนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินสีห้าประการนี้อินสีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสอินสีคือสุขเวทนา 2. ทุกขินสี่ อินสีคือทุกขเวทนา 3. โสมนัสสินรียอินรียคือโสมนัสเวทนา 4. โทมนัสสินรียอินรีย์คือโทมันัสเวทนา 5. อุเบกินสีอินรีย์คืออุเบคาอินรีห้าประการนี้แหล ส, สุตรที่กสูตรที่1จบ 2. โซตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสีสอ 2. ทุกขินสีสา 3. โสมนสินสีสี 4. โทมนสินสี 5. อุเบกินีภิกษุทั้งหลาย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 3. าอารหันตสูตรว่าด้วยพระอารหันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสีสอ 2. ทุกขินสีสาโสมนสินสีสี 4. ธโมนะสินสี 5. อุเบกินีภิกษุทั้งหลาย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 หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอรหันตสูตรที่สจบ 4. ประมะสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย อินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสีสอทุกขิน4ีสาโสมนัสสินสีสโทมนะสินสีอุเบกินสีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ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 สมณะพราหมณ์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสีสองทุกขินสีสามโสมณสินสีสี่โทมสนสินี 5. อุเบกขินีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชาติสุขินี ความเกิดแห่งสุขินสีความดับแห่งสุขินสีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสุขิน4ีไม่รู้ชัดทุกขินสีไม่รู้ชัดโสมนสินรีไม่รู้ชัดโทมนสินรีไม่รู้ชัดอุเบขินสีความเกิดแห่งอุเบขินรีความดับแห่งอุเบขิน4ีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุเบขินสี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 ความดับแห่งสุขินสีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสุขินสีรู้ชัดทุก ข, ขินสีรู้ชัดสมัสินสีรู้ชัดโทมนัสสินสีรู้ชัดอุเบกินสีความเกิดแห่งอุเบกินสีความดับแห่งอุเบกินสีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุเบกินสีสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราจัดว่า เป็นสมณะในหมู่สมณนะหรือจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะและประโยชน์แห่งความเป็นพราม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะพรามนาสูตรที่หจบ 6. ปฐมมะวิพังกระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์หประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์สมณะสิน 4. 4. ทรีย์๔ธมณะสินทรีย์อุเบกินทรีย์ ส, สุขขินสีเป็นอย่างไรคือความสุขทางกายความสําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสําราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขหินสีทุกขินสีเป็นอย่างไรคือความทุกขทางกายความไม่สําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินสี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 ทุติยวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินสี 2. ทุกขินสี 3. โสมนสินสียีโทมนสินสีย้อุเบกินสี สุขขินสีเป็นอย่างไรคือความสุขทางกายความสาราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสาราญอันเกิดจากกายยัาผัสนี้เรียกว่าสุขขินสีทุก ข, ขินสีเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สําราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากกายยัาผัสนี้เรียกว่าทุก ข, ขินสี สมมานสินสีเป็นอย่างไรคือความสุขทางใจความสาราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสาราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าสมมานสินสีโทมานสินสีเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สาราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สาราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่า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 ภูเปกขินสีพึงเห็นว่าเป็นอุทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ทุติยวิพังคสูตรที่7จบ